ไปซาบะเมะเรอยากจะถามเลยทางหัวหน้าหนามันเล ง, ง, งหน้าสาั่สงก็ที่มามาแลกันหนยี่มีสงย้ายมาจากที่ไหน บาราอยู่นานไหมบาราสหนึกก่1ปีหนึ่ปีทำไมน้อยล้ลยกันตอนระเบียบของสารที่ทำก็ให้อยู่ได้แค่สี่ครับอ๋อพระธุดงค์พระธุดงค์ก็ย้ายที่เรื่อยๆไม่ติดที่ <c oughs> อยู่แค่ปีเดียวร ะ, ะเบียบพระธุดงค์ท่านก็ไม่อยู่ ตดที่นะย้ายไปเรื่อยๆก็ อ, อยู่อยู่ที่เดียวนานแล้วมันชินชินแล้วมันจะขี้เกียจมันจะประมาทต้องย้ายที่ใหม่ๆต้องไปปรับตัวใหม่เรื่อยๆปรับกับสถานที่ปรับกับเหตุการณ์ต่างๆใจจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะใจเราเป็น นักท่องเที่ยวใจเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ที่ไหนแล้วมันติดอะไรแก่การยึดการติดด้วยการย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะถ้าเรายึดติดมันก็จะทุกเวลาเราต้องจากที่เราไป แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันก็ไปอย่างสบายไม่มีความผูกพันกับอะไรก็เดีนอย่างทำให้เราจิตใจเราไม่ไม่ผูกพันกับอะไรมากเพราะรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ น, นิจังทุกขังวนาตา น, นิจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอน อนาตตาก็ไม่อยู่ในการบังคับของเราจะอยู่ตามความอยากของเราไม่ได้ต้องไปตามตามเหตุตามปัจจัยเมื่อถึงเวลาไปก็ไปเวลามาก็มาถ้าไปโดยที่ไม่มีความผูกพันไปก็ไปอย่างสบาย ถ้าไปด้วยความผูกพันก็ไปด้วยความเสียดายเสียใจก็ได้พยายางส่วนท่านก็อยู่ที่ประจำเลยอยู่จังหุรีครับเต่รับพิชอบอยู่แปกจังหวัดครับาทางตอนออกเลยรันนี้นน ม, นมาเปิปเปดโครงการเมื่อเช้าครับ อมีอะไรอยากจะรู้ไหมนะอยากจะรู้รู้ทำข้อไหนบ้างไหมทำมันก็มีหลายหลายแง่หลายมุม ทำที่เกี่ยวกับผู้อื่นทำที่เกี่ยวกับตัวเราก็มีหลายหลายลักษณะทำที่พระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรารู้ก็มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตน รู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลรรเทศะรู้ประมาณการรู้สิ่งเหล่า น, นี้จะทำให้เราปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้ถูกต้องไม่ทำให้เกิดโทษไม่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้ อันนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้ารู้เหตุก็คือรู้ว่าการกระทำของเราเนี่คือเหตุการกระทำของเราเนี่ก็มีอยู่สามทางด้วยกัน ทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดความคิดของเราการพูดของเราการกระทำทางร่างกายของเรานี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนาและไม่ปรารถนาผลที่เราปรารถนาก็คือความสุขความเจริญผลที่เราไม่ปรารถนาก็คือ ความทุกข์ความเสื่อมเสียผลนี้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากการบิงวรกราบไหว้ขอจากสิ่งศักดิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิท์ต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ให้พวกเราไปกราบพระจุดทูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้ลาภยศสรรเสริญ ขอให้ได้มีความเจริญในอายุวั น, นะสุขะพละพระเจ้าไม่เคยสอนให้ขอเพราะว่าผลที่เราปรารถนามันไม่เกิดจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่เราขอได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดก็คือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้เราก็คือให้ความรู้กับเรา ให้เรารู้เหตุรู้ผลหรือว่าผลที่เราอยากจะได้นั้นเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีใจเป็นผู้นาเป็นหัวหน้าร่างกายนี้เป็นเป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบา่าว ร่างกายจะพูดหรือจะทำอะไรได้นี้ต้องเกิดจากใจเป็นผู้สั่งการใจคือผู้คิดความคิดของใจก็คิดไปได้สามทางคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีและคิดไปในทางกลางกลางคือจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงแล้วก็จะทำให้เกิดผล ตามคิดไปในทางที่ดีก็ทำให้เกิดการกระทาการพูดที่ดีทำให้เกิดผลก็คือทำให้มีความสุขความเจริญคิดไปในทางที่ไม่ดีพูดไปดีทำไม่ดีก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียตามมาถ้าคิดไปในทางกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว ก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเจริญไม่มีความเสื่อมเสียนี่คือเหตุและผลที่เราควรจะทำความเข้าใจแลนะให้เรามีสติเฝ้าดูการกระทำเป็นหลักอย่าไปดูที่ผลเพราะผลมันเกิดจากเหตุส่วนใหญ่เรามักจะไม่มองที่ผลกัน อยากจะได้ตำแหน่งนั้นอยากจะได้ตำแหน่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้ไปดูที่เหตุว่าเหตุอันใดทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเรามักจะไปสร้างเหตุที่ไม่ตรงกับเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราควรจะได้กัน อันนี้เราต้องดูเราต้องเชื่อว่าการทำดีพูดดีคิดดีนำความสุขความเจริญมาให้กับเราแต่ทางศาสนานี่ท่านสอนถึงผลในทางจิตใจมากกว่าผลในทางทางทางวัตถุสิ่งของต่างๆ การทำดีนี้ทำให้เราได้ความสุขใจและให้จิตใจของเราจเจริญสูงขึ้นไม่ได้หมายว่าการทำความดีจะทำให้เราจเจริญในลาบยศสรละเสริญสุขทางตาหูจมกูกยิ้งกายอันนี้ <c oughs> เหตุผลอันนี้อาจจะเกิดจากเหตุอย่างอื่นก็ได้คนร่ำรวยรวยจาก การทำความดีก็มีรวยจากการทำความชั่วก็มีแต่ผลที่เกิดจากการทำความดีจริงๆอยู่ที่จิตใจจิตใจเราจะมีความสุขเวลาเราทำความดีแล้วจิตใจเราก็จะสูงขึ้นจิตใจของเรานี้มีฐานะที่เราสามารถเลื่อนขึ้นไปได้ หลายขั้นด้วยกันเช่นตอนนี้จิตใจเราอยู่ในขั้นของมนุษย์แต่เราสามารถที่จะพัฒนาเรื่อยๆจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นเทวะเป็นเทเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่นละคือความเจริญที่พูะเจ้าทรงทรงพูดถึงผลที่เกิดจากการทำความดี คิดดีพูดดีทำดีจะทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นไปจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทพเป็นอ ม, มเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหาันตพระพุทธเจ้าอันนี้เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีในทางตรงกันข้ามถ้า คิดชั่วคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดการดื่มสุรายาเมาอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีพูดไม่ดีเกิดจากความคิดที่ไม่ดีแล้วก็นำไปสู่ความเสื่อมเสีย คืจิตใจก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจเวลาที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จิตใจก็จะเลื่อนลงต่ำจากมันก็ลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นนรกไปนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดี ทำไม่ดีผลบางอย่างเรามองไม่เห็นกันเช่นพวกที่เป็นกายทิพย์ทั้งหลายเช่นเปตอสุรกายหรือสัตว์นรกหรือผลที่เกิดจากการทำความดีได้เป็นเทพเป็นพรเป็นพระอริยเจ้าเราจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ เราจะสัมผัสได้เองจากการกระทำของเราแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือการไปเป็นเดรัจฉานพนีุ่เจ้าบอกถ้าทำบาปเนี่ยก็จะไปเป็นเดรัจฉานด้วยสัตว์ที่มาเกิดสี่เท้าเดรัจฉานทั้งหลายนี่ชาตอิอดีตชาติเขาเคยทำบาปมา เคยฆ่าเคยรักทรัพย์เคยประพฤพิผิดประเวณีเคยโกหกหลอกร่วง<ม>เขา<ม>ก็หลายเวลาหลังจากที่ร่างกายของเขาตายไปใจของเขานี่มันไม่ได้มีฐานะเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเลื่อนลงไปเป็นเรือฉานถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะเวลาตายไปจิตเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่จิตใจเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทันทีไม่ต้องไปใช้กรรมก่อนไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นนักศกายหรือไปเป็นสัตว์นรก พวกนี้ก็เป็นใจของพวกเราที่เปลี่ยนไปใจของเราเปลี่ยนเป็นจากมนุษย์ไปเป็นเรลาฉานไปเป็นเปรไปเป็นนสุ ร, รากายไปเป็นนรกไปเป็นสัตว์นรกคุณสมบัติของสัตว์เหล่านี้ก็คือจิตใจจะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ด้วยเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการทำบาปของเราเช่นถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าบาปตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้เวลาเขาทำบาปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขาเป็นการดำรงชีพของเขาเดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าผู้อื่น เป็นอาหารกินผู้กินสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือรักทรัพย์รักอาหารของผู้อื่นมากินก็นี่เป็นพวกที่ทําบาลด้วยการไม่รู้ซึ่นถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ไปทําอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพเก็ถือว่าทําบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปทําไปเพราะคิดว่าเป็นอาชีพเป็นการดํารงชีพจําเป็นต้องทํา แต่ความจริงคนที่มีปัญญาเขาก็เลือกได้ว่าอาชีพอื่นก็มีเยอะๆอาชีพที่ไม่ต้องทําบาปก็มีแต่คนที่เขาไม่มีปัญญาเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าอาชีพไหนก็เหมือนกันเป็นการดำํำรงชีพเหมือนกันการไม่มีความแตกต่างกันอาชีพที่ไปทําร้ายผู้อื่นนี้มันเป็นบาป อาชีพที่ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่เป็นบาปแต่ก็ไม่เป็นบุญเป็นอาชีพนอกจากอาชีพที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยเป็นหมอเป็นอาจารย์นี้เป็นอาชีพที่เป็นบุญเพราะทำแล้วทำให้ผู้อื่นเขาดีขึ้นรักษาชีวิตเขารักษาหรือสอนให้คนที่ไม่มีความรู้ได้มีวิชาความรู้ การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญการทำโทษแก่ผู้อื่นนี่ให้โทษแก่ผู้อื่นเรียกว่าบาปนี่เป็นการกระทำที่ไม่ดีแต่ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ท่านก็ บ, บอกว่าต้องไปเป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี่เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าบาปเขาอยู่กันตามตามกฎของอความหิวการ เอาตัวรอดกันจาสร์เขาก็เลยไม่มีกฎหมายเหมือนมนุษย์มนุษย์รู้ว่าเราไม่ต้องฆ่ากันเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเราไม่ต้องฆ่ากันเพื่อดำลงทีพอันนี้คือความแตกต่างของจิตของผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าการไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นการอยู่ของมนุษย์ การเดือดเรียนกันนี้เป็นการอยู่ของเดรัจฉานผู้ที่รู้เขาก็ไม่ไปทําบาป ก, กันผู้ที่ไม่รู้เขาทาบาป ก, กันเพราะเขาไม่รู้ว่าใครไปผู้รับผลบาปที่กระทํากันเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปก็เอาไปเผากลายเป็นที่เท่าไปแล้วใครจะไปรับผลบาปผลบุญกัน พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเพียงแต่ว่าจิตใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่จิตใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำทำอะไรต่างๆทำบาปทำบุญผู้ที่ไปรับผลของบาปบุญจริงๆก็คือใจ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการทำบุญทาบาปเหมือนเวลาที่คนขับรถยนต์ไปนชนคนตายเขาไม่จับรถยนต์ไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจับคนขับเข้าไปลงโทษแต่ได้ร่างกายเขาเป็นเหมือนรถยนต์แต่ผู้ที่ทา สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาสนี้คือใจงั้นใจเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าทำบาปก็ต้องเวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะไปไปเกิดในอบายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีสี่รูปแบบด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ท่านก็บอกว่าไปเป็นเดรัจานในร่างกาย ถ้าทำบาลด้วยความโลภคือพอมีพอกินแล้วไม่ต้องทําบาปก็อยู่ได้แต่อยากรวยอยากมีเงินมากๆหรืออยากจะได้ตําแหน่งสูงๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ทําบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งฆ่าสัตว์ช่อโกงลักทรัพย์โกหกหลอกลวงอันนี้ก็จะทําให้ไปเป็นเปลื จิตนี้จะกลายเป็นเปรตคุณสมบัติของเปรตก็คือจะมีแต่ความหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอความความโลภนี้จะไม่ทำให้เราอิ่มเราได้อะไรแล้วจะมีความอยากได้มากเพิ่มขึ้นได้คือก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้นร้อยก็อยากจะได้นาพันได้นาพันก็อยากจะได้นายผลคือความอยาก แล้วถ้าไปได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการกระทำบาปอันนี้ก็จะทำให้จิตใจหิวโหวยแล้วก็รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะตายกลัวว่าจะอดตายกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ท่านก็ว่าจิตเป็นอสู ร, รากาย แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธเกลียดเทียดแค้นจิตก็เป็นนรกขึ้ร้อนเป็นไฟนี่คือผู้ที่จะไปรับผลก็คือจิตใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำบาปต่างๆร่างกายไม่ได้ไปรับบาปพอคนตายไปเขาก็ไปสังวอาไปเผา ทางบ้านเมืองถ้าไม่สามารถที่จะลงโทษได้เพราะว่าผู้ที่ทําบาปนั้นแยกออกจากร่างกายไปแล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังจับไปลงโทษได้จับไปขังคุกขังตารางผู้ที่จิตจิตใจที่ยังติดอยู่กับร่างกายก็จะต้องพบกับความทุกข์ที่ถูกไปจับลงโทษทางโลกก็จะ เห็นโทษเฉพาะเวลาที่ร่างกายยงังยังมีชีวิตอยู่ยังลงโทษได้แต่พอร่างกายตายไปาลางก็อะไรคิดว่าจบทางทางกฎหมายอาจจะจบแต่ทางกฎแห่ง ก, กรรมไม่จบกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นอัตโนมัติมันจะทำให้จิตนั้นต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือแน้ก็ได้ร่างของเปตของอสุรกาย หรือไปอยู่ในนรกนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปผู้ที่ทำก็คือใจผู้คิดคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำบาปแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเวลาทำบาปปั๊บใใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะไม่เป็นปกติใจจะมีความวิตกกังวล วาดตัวต่อผลที่จะต้องไปรับต่อไปนี่คือถ้าดูผลให้ดูที่สิตใจไม่ว่าจะบุญหรือบาปแต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจเราคิดเราทำบุญแล้วเราไปดูผลที่ภายนอกใจผลที่เป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้ก็คือติดคุกติดตารางเดืน ถ้าทำดีก็ได้ลาบยศสรรเสริญได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่พอทำดีแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ทำได้ท้อได้ว่าเอ๊ะทำไมเราทำแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลแท้จริงเป็นผลพลอยได้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่เกิดแน่นอนคือใจของเราถ้าใจเราทำความดีใจเราจะมีความสุขขึ้นมาทันที ใจเราจะสูงขึ้นเพราะคนทำความดีนี้เป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับผู้ให้นิยอมสูงกว่าผู้ผู้รับใจก็จะเป็นเทพขึ้นมาคือเรื่องของเหตุของผลถ้าเราอยากจ ะ, ะมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญ ก็ขอให้ดูให้รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงที่ที่เรามาพัฒนาจิตใจของเราหรือมาทำลายจิตใจของเราด้วยการกระทำของเราเองถ้าเราทำดีจิตใจเราจะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นถ้าเรารักษาสิง ทำบุญให้ทานช่วยเหลือผอู้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้จิตใจเราก็จะเป็นเทศแล้วถ้าเราสนใจกับการปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิรักษาศีนแตได้จิตใจเราก็จะขึ้นสูงจากเทไปเป็นผรมแล้วถ้าเราอยากจะให้ไปถึงขั้นของพระอริยเจ้า เราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากความอยากได้ลูดเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็น อยากได้ลาบยศสรรเสริญแล้วความอยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญเวลาที่ได้มาแล้วไปมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเพราะชาตินี้เราเกิดมาเราก็มาหาลาบยศสรรเสริญกันมาหารูปเสียงกลิ่นรดกันพอตายไปใจเราก็ยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยาก ได้รูปเสียงกลิ่นลดล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์กันใหม่แต่ก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเราถ้านี้เราหาะลาบยศเสริญฮาลูปเสียงกลิ่นลดด้วยการกระทาบาปเราตายไปก็ต้องไปใช้บาปก่อนเมื่อหมดบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราทําบุญอ เราไม่ทำบาปเรามีอาชีพสุดเจริรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคมตายไปเราก็ไปเป็นเทพก่อนเป็นรับผลของเทพก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรานั่งสมาธิได้รักษาศีลแปดได้เราก็ไปเป็นพรหมก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับมาเลย อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกนี่เราก็ต้องตัดความอยากทั้งสามที่เป็นตัวเดิงให้เรากลับมาเกิดมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาลูกเสียงเกิดมาเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปเช่นมาบวชเป็นพระพรานี้ท่านมาตัดความอยากทั้งสามนี้อยากลาบยศสรรเสริญท่านไม่มีละเป็นพระ พระแท้นะแต่พระที่ไม่แท้ยังมีอยู่ยังอยากได้อยู่พระไม่แท้ยังอยากได้ตำแหน่งต่างๆยังอยากได้ยศอยู่อยากเป็นพระครูอยากจะเป็นเจ้ า, เ, าเจ้าคุณเ ป, เ, เป็นตำแหน่งอะไรต่างๆเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าอะไรอันนี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ถือว่าไม่ได้บวช ตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงสอนให้บวชทรงสอนให้มาบวชเพื่อละความอยากในราภยศสรเสริญความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอาที่เป็นพระแท้มักจะไปอยู่ในป่าในเขาท่านตัดจริงๆถ้าไม่เอาลาภยศสรเสริญถ้าไม่เอาลูกเสียงกียรติยท่านต้องการ เอาความสุขที่เกิดจากความสงบจากการทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิจากการใช้ปัญญาคอยตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจการลาบย่อมสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ปาฏถนากันผู้ที่บวชเพื่อที่ต้องการที่จะไม่ไกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะท่านเห็นว่าการกลับมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์ เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ตายแล้วจะจบตายแล้วแต่ความอยากที่ยังมีอยู่ในใจมันไม่ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงให้ร่างกายกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาวุ่นวายอย่างที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้สุขบ้างทุกบ้างแล้วในที่สุดก็ ก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอุตสาหากันมาแทบเป็นท่าตายล า, า, าบยศรสนุงได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวพอตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายมันก็หมดสภาพไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบกับคาสอนทุเย้าที่สอนว่า การเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้อยากในอยากในลาบยศสารเสริญอยากรูปเสียงกลิดนด่นรสอยากรักษาอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปอันนี้มันต้องตับให้ได้อยากไปเสียดายกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาในชาตินี้อยากเสียดายในลาบนยศ่ารเสริญอยากเสียดายในความสุขทางต า, งางหูจมูกเลี้ยกาย อย่าไปเสียดายแนมะ้แต่ร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปรักอย่าไปหวงมันเพราะความรักความหวงร่างกายมันจะทําให้เราทุกข์แล้วก็จะทําให้เรากลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่พระที่ทบวชเน้นพระที่ต้องการหลุดพ้นท่านก็มักจะไปอยู่ในปาใ่าในเขากันเพราะเป็นที่เหมาะต่อการตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆ เพราะถ้าอยู่ใกล้กับความสิ่งต่างๆแล้วมันอดไม่ได้เห็นคนอื่นเห็นคนอื่นเขาได้ยศได้ตำแหน่งเราไม่มียศไม่มีตำแหน่งเรามันทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจบางทีเราอาจจะไม่คิดแต่คนอื่นก็มาทำให้เราคิดราถามว่าท่านยังไม่ได้ขั้นนั้นเหรอยังไม่ได้ขั้นนี้เหลอบวชมาต้องนานแล้วยังไม่ได้เป็นนู่นเป็นนี่เรอมันก็ทาให้จิตใจหวั่นไหวได้ แต่ความจริงแล้วของเหล่านี้มั น, ม, นมันไม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจมีความสุขหรอกมันสุขเดี๋ยวเดียวสุขต่ขณะที่ได้มาใหม่ๆพอหลังจากนั้นเดี๋ยวไปมองตําแหน่งที่สูงกว่าก็อยากจะได้อีกละพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้ตําแหน่งนี้ก็หมดไปละอยากจะได้ตําแหน่งใหม่ที่สูงกว่าก็ต้องเล่นนองอีกละอันนี้ คือถ้าอยากจะไปแบบพระพุทธเจ้าบาทพระสาวกนี้ก็ต้องบวชบวชเพื่อตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็จะทําให้จิตใจเราได้พัฒนาขึ้นถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระสาวกพระหลานต่สาวกเลยขั้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้รับรางวัลก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขที่เรียกว่าบร ม, มสุขนิบานังปรามังสุขขังความสุขนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัมนตมณติเป็นมหาเศรษฐีความสุขต่างๆในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจ พระพุทธเจ้าเพราะสาวกนี้ท่านได้ความสุขแบบนี้กันท่านไม่ได้บวชเพื่อตัดแล้วเสียทุกอย่างไปโดยที่ไม่ได้แล้วเป็นสิ่งตอบแทนถ้าไม่มีอะไรที่ดีกว่าเป็นสิ่งตอบแทนเราจะไปทิ้งสิ่งที่เรามีอยู่ทําไมพระพุทธเจ้าจะไปสละราชสมบัติทําไมแต่พระอง์ทรงเห็นว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอพ ร, ร, ระราชสมบัติเระองค์ก็เลยทรงทิ้งสละราชสมบัติ แล้วก็ไปหาสมบัติที่เลิศ ก, กว่าที่เรียกว่าอริยสมบัติสมบัติของพระอริยเจ้าคือความสุขขั้นต่างๆและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดความสุขของทางโลกนี้มันมีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะต้องเสื่อมมันต้องหมดไปนอกจากนั้นแล้วหมดแล้วตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเริ่มต้นไหน ฐานะไหนอีกอาจจะเริ่มต้นฐานะที่ด้อยกว่าที่ได้ในชาตินี้ก็ได้ือดีกว่าชาตินี้ก็ได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทํากันไหมถ้าเราทําบุญไว้กลับมาเกิดเราก็อาจจะได้ฐานะที่ดีกว่าฐานะที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้ถ้าไปทําบาปกลับมาเกิดก็ฐานะก็อาจจะด้อยกว่า สก็คือนี่คือเรื่องของเหตุของผลที่ทางศาสนาสอนให้พวกเรามาศึกษามาทำความเข้าใจกันให้ให้รู้ว่าเหตุคือการคิดดีพูดดีทำดีนี้นำให้ผลคือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจนะไม่ใช่ความสุขความเจริญทางราบยศสารสรญทางวัตถุข้าวของต่าง อันนั้นคนคนโกงก็รวยได้ไมันจำเป็นจะต้องเป็นคนดีพูดเี้ไว้เพื่อจะได้ให้คนทำความดีไม่ท้อแท้ใจเพราะบางคนทำความดีแล้วไม่ได้ดีเลยไม่ได้เจริญในลาบยศสรรเสริญก็ขอให้รู้ว่าราบยศสรรเสริญนี้มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากความทำทความดีเสมอไป ทำความไม่ดีก็สามารถเจริญในลาบยศสารเสริญได้แต่ความเจริญที่แน่นอนที่เกิดจากการทําความดีก็คือจิตใจที่จะสูงขึ้นไปตามลําดับขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ากันอันนี้เป็นผลที่จะทําให้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ทําความดีกัน ผลที่เกิดจากการทำบาปถึงแม้ว่าจะเจริญในลาบยศสารเสริรดเช่นเลาะช่อโกงทำผิดต่างๆแต่ยังร่ำยังรวยยังได้ตำแหน่งสูงแต่เวลาตายไปเนี่ยจิตใจมันจะมันตกต่ำเนี่ยมันจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุลกายหรือไปนรกเนี่ยอันนี้ส่วนนี้ส่วนที่เรามองไม่เห็น เราก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนท่านสามารถเปิดตาในาของท่านได้เรามีสองตาเรามีตาทางตานอกคือตาล่างกายและตาในาคือตาใจตอนนี้ตาใจของเราปิดกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีเปิดมัน เรามาเปิดแต่ตานอกกันเราก็เห็นเพียงแต่ส่วนที่ตานอกเห็นแต่ส่วนที่ตาในาเห็นนี่เรามองไม่เห็นคือจิตใจดวงวิญญาณต่างๆเทวดาต่างๆสัตว์ที่อยู่ในสวรรค์และอยู่ในอบายนี่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเรามาเปิดตาในนั้นเราจะเห็นวิธีจะเปิดตาในาเราก็ต้องปิดตานอกนั่งหลับตาแล้วก็ทาใจให้สงบ คือฝึกนั่งสมาธินี่เองพอเราจิตสงบแล้วตาในก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นากายทิพย์ต่างๆคือเห็นจิตใจของสัตว์ต่างๆที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วจะจะอยู่ในฐานะต่างๆฐานะเทวดาฐานะเปรตฐานะนรกเนี่ยอันนี้จะเห็นได้พิสูจน์ได้ ต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิมาเปิดตาในตอนนี้เราไม่ได้เปิดตาในเราก็มีทางเลือกทางเดียวก็คือจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านเห็นกันถ้าเราเชื่อเราก็ทาตามที่ท่านสอนแล้วต่อไปเราก็จะเห็นพระสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนท่านก็ไม่เห็นพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติ ท่านก็สามารถเปิดตาในของท่านได้ท่านก็เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกประการงั้นตอนต้นนี้เราก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จรงิงเห็นจรงิงสิ่งที่ท่านทรงนํามาสอนนี่เป็นสิ่งที่เป็นจรงิงเียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตาในเราเราจึงมองไม่เห็น เราเห็นเพียงเห็นแต่ส่วนที่เราเห็นด้วยตานอกซึ่งยังมองไม่เห็นภาพที่ครบ ท, ทุกมิติเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นทางร่างกายแต่ไม่เห็นทางจิตใจกันถึงตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรานําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ mm hmm. ก็คือจเจริญเหตุที่ดีเนี่ย เอธีดีนี้ท่านก็สอนให้มีอยู่3ามระดับคือระดับที่1ก็คือการทําบุญให้ทานระดับที่สองก็คือการรักษาศีลศีลขั้นต่างๆศีลห้าศีลแปศีลสองร้ศีลสินี่เป็นระดับศีลที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เห็นกายทิพย์เห็นโลกทิพย์เห็นกายทิพย์ของเราเห็นจิตใจของเราแล้วถ้าเราเอาปัญญาของพร ะ, ะเจ้ามาใช้กําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจเราก็จะไม่มีเชื้อที่จะดึงให้เรามาเกิดแก่เจ็บ ต, ตายต่อไปสิ่งเหลนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้ภาษาโลกนี้เป็นผู้ยืญญนยันแล้วว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ภาษาวกนี้เมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นคนตาบอดตาในบอดเหมือนกันแต่พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาก็อยากจะไปพิสูจน์ดูก็เลยปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทาทานทาทานแบบเต็มที่เลยมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ไปรักษาศีลของนักบวชเนะไปบวชกันถ้าอยากจะพิสูจน์ทำสอนพระพุทธเจ้านี้ต้องไปเป็นนักบวชนะมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอะไรก็บริจาคยกให้คนอื่นไปเพราะไปบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินทองนะไปรักษาศีลสองร้ยยบเจ็ดแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็ใจแล้วก็จะเห็นใจ ที่ไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วจะเข้าใจวา่าใจนี้แหละที่จะต้องไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะเห็นว่าอะไรที่ทาให้ใจไปเกิดก็คือความอยากต่างๆก็จะพยายามจะตัดความอยากที่ยังไม่ได้ตายไปด้วยอำนาจของสมาธิความอยากนี้จะต้องตัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันจะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย ถ้าเราอยากได้ราบยศสารเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลินกายพอร่างกายนี้ตายไปแต่ใจเราอยากอ ย, กอยู่เราก็ยังจะกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาราบยศสารเสริญมาหาลูกเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการไม่ทำตามความอยากความอยากนี้มันจะหมดไปด้วยการที่เราไม่ทำตามความอยากเช่นคนอยากสุขเลยถ้า ถ้ายังสูบอยู่มันก็จะสูบไปเรื่อยๆพออยากสูบก็สูบพอสูบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบวนใหม่แต่ถ้าอยากสูบแล้วไม่สูบเยเดี๋ยวต่อไปมันก็หายไปความอยากจะสูบมันก็หายไปเลิกสูบบุหรี่ได้อันนี้วิธีที่เราจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจตัดการที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย แต่การไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้มาคำ ว, ว่าเราสูญหายกันเเราก็อยู่ในโลกทิพย์นี่แหละอยู่เหมือนกับขนาดนใจของเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี่ใจของเราใช้กระแสใจส่งมามามาผูกติดไว้กับร่างกายะส่งกระแสวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับภาพม า, ามารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาตายไปก็เป็นเพียงแต่การตัดการติดต่อกันนะติดการเชื่อมต่อกัน mm. ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะไม่ส่งกระแสจิตไปเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่ใจก็จะไม่ไปทุกขกับร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายกับร่างกายอันใหม่แต่ใจก็ยังอยู่ในโลกทิพเหมือนกันอยู่ ต่างกันตรงที่อยู่โดยไม่มีความอยากอ ย, อยู่อย่างมีความอิ่มความสุขความพอถ้ามีความอยากแล้วมันจะไม่อิ่มใช่ถ้ามีความอยากแล้มมมมว ม, ลมันจะหิวมันจะต้องการแต่ถ้าพอไม่อยากแล้วมันก็จะอิ่มมันก็จะพอใจของผู้ที่ตัดความอยากได้ก็จะมีแต่ความอิ่มความพอก็เลยไม่ต้องมาส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายอันใหม่เหมือนอย่างที่เรากาลังทาอยู่กันะนี้ ใจของเราส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายอันนี้แล้วก็มีความผูกพันกับร่างกายอันนี้รักร่างกายอันนี้หวงร่างกายอันนี้เวลาต้องสูญเสียร่างกาย น, นี้ก็ทุกทรมานใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเราสามารถที่จะดับได้ด้วยการตัดความอยากต่างๆพอเมื่อเราตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่มีความอยาก ได้ลาบยศสารเสแญะไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่เฉยๆอยู่อยู่กับความสงบที่มี็ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสแญันนี้ก็คือเรื่องของเหตุของผลที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษากันเป็นหลักประสำคัญของการดำรงชีวิต ส่วนความรู้อีกหประการนี้เป็นความรู้ที่เราใช้ในการอยู่ในโลกนี้รู้บุคคลคือเราต้องรู้ว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขามีฐานะต่างกันมีสูงกว่าเรามีเท่าเรามีต่างกว่าเราคนมีพ่อคุณก็ถือว่ามีสูงกว่าเราคนที่เป็นนิดก็เป็นฐานะเท่ากันคนที่เราให้ความช่วยเหลือก็เป็นคนที่ต่ำกว่าเราวิธีปฏิบัติกกับคนต่างๆก็แตกต่างกั น, กนไป เรียกว่ารู้บุคคลรู้ตนก็รู้ฐานะของเราเราก็มีฐานะหลายฐานะตอนเด็กเราก็เป็นลูกเป็นนักเรียนพอโตขึ้นมาเราก็เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างต่อไปเราก็เจริญขึ้นมาก็เป็นหัวหน้าเป็นอะไรฐานะเราก็เปลี่ยนไปการวางตัวเราก็ต้องให้เหมาะสมกับฐานะของเรา เป็นมนุษย์ก็วางตัวอย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็วางตัวอย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทาไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องรักษากฎหมายทำบาปไปทำผิดกฎหมายไปแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลต้องรักษากฎหมายก็จะได้เป็นมนุษย์พอเป็นเดรัจฉานก็ต้องจับไปขังคุกขังตารางขังไว้ในกรงเหมือนสัตว wow, mm. ์ร um ้ายถ้าเอามาปล่อยไว้อยู่ในสังคมก็จะไปทาร้ายผู้ มนุษย์นี้บางทีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยาชานพอไม่รู้จักตนไม่รู้จักว่าความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรความเป็นมนุษย์ก็ต้องเคารพกฎหมายเค า, า, ารพศีลธรรมก็<น kaikki>จะเป็นมนุษย์ได้นี่คือการรู้จักตนรู้จักสังคมก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเลือกกฎระเบียบต่างๆของสังคมที่เราอยู่ด้วยวเราก็ต้องเคารพกฎ ระเบียบต่างๆไม่เช่นนั้นเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้แล้วก็รู้ประมาณรู้ประมาณก็คือให้เรารู้ความพอดีในการใช้สิ่งต่างๆเช่นปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยคือให้มันพอดีกับฐานะของเราพอดีกับความต้องการของร่างกายฐานะเรามีฐานะไหนเราก็ ยินดีกับฐานะของเราไปซื้อบ้านระดับของเราไปซื้อที่อยู่ซื้ออาหารซื้ออะไรในระดับของเราไปหรือว่าซื้อตามความจำเป็นของร่างกายร่างกายก็จะใส่เสื้อผ้าชุดละห้าพันหรือชุดละห้าร้อมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันใส่ชุดไหนมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป็นเสื้อผ้าไว้สำหรับปกปิดร่างกายปกป้องร่างกายจากภัยจากสาหรือว่าจาก อากาศหนาวเย็นก็เท่ า, ทานั้นเองให้รู้จักเหตุผลในการบริโภคปัจจัยสี่ให้พอประมาณต่อความต้องการขอ ง, งร่างกายชีวิตก็จะไม่ฟุ้งเฟอ้อจะไม่ฟุ่มเฟือยก็จะไม่กดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมารับใช้ความฟุ่มเฟือยความฟุ้งเฟ้อต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการไปทำบาป ท, ทำผิดกฎหมายได้ถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการใช้ปัจจัยสี่ของเรา ข้อสุดท้ายก็รู้จักกาลรรเทศะก็รู้จักกาลและสถานที่ที่เราไปเพราะแต่ละสถานที่เขาก็มีมีการกระทาที่เขาทำกันที่เราควรจะทำว่าจะเรามาที่นี่กาลังฟังเทศฟังธรรมอยู่เราก็ต้องมานั่งฟังกันไม่ใช่อยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาในตอนนี้เลยอย่างนั้นก็จะทำให้ทาให้เสียเสียหายได้ คือการรู้จักกาลเทศะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเรารู้กันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะแต่เรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญไปเพียงอย่างเดียว ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะนิโมธนาให้พอเนหะยาท้าวฤหะปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปการปติอิจิตังปัตทีตังตุมหังคิดปปเมวะสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกบา จันโทปัณากบะโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภวะอะพิวาฐานสีริสานิจังุทธาปจายโน จตาโรธัมมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังถ้ามีอะไรอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมตก็ถามได้นะอยากถามพ่อพ่อหนึ่งอยากทราบว่าคง ไม่มีดวงตาให้ชายเข้าไปเห็นได้ว่าที่แดนนิพพานนลักษณะเป็นยังไงครับหลวงพก็จิตใจที่สงบเย็นสบายน่นั่นแหละคือนิพพานจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหล ง, งไม่มีความอยียอยู่ที่ไหนทำอะไรขณะที่มีร่างกายก็ฝุดตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6กตอนที่ทรงตัดเจรู้อายุสามสบะครับ กาของพระเจ้าถึงนิพพานแล้วกายท่านไม่มีความโลภโกรธลงไม่มีความอยากอะไรสบายเย็นสุขหนอตลอดเวลากายอยูดกายอพูดอะไรกายอย่าอะไรกับท่านนั้นก็ไม่เดือดร้อนเฉยๆแต่ถ้าเราเราละกายออกไปแล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมจิตก็เหมือนเดิมจิตเพียงแต่ตัดการเชื่อมต่อท่านั้นเองจิตกับนั่งกายอยู่คนละที่อยู่แล้วที่ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันยังมีความเชื่อมต่อกันอยู่พอร่างกายตายไปการเชื่อมต่อกับร่างกายนี้มันก็หมดไปแต่จิตที่มีความอิ่มมีความสุขแล้วก็ไม่ส่งกระแสจิตไปเชื่อมกับร่างกายอันใหม่แต่จิตของพวกที่ยังมีความโลภความอยากอยู่ก็ยังจะส่งไปหาร่างกายอันใหม่พอกายตั้งท้องได้ก็เข้าไปส่งกระแสจิตไปไปเกาะติดอยู่กับร่างกายในท้องเลย แล้ก็กลับมาเกิดมาแก่แล้วต้องมาดูแลร่างกายมาลักมาหวงมาห่วงร่างกายมาทุกข์กับร่างกายพระเจ้ า, จาเห็นว่าการมีร่างกายนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเล้ยงปากเล่นท้อง mm hmm. หากินแทบเป็นแทบตาย mm hmm. เดี๋ยวก็ตาย mm hmm. ไม่รู้หาไหม่ทาไมความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจที่ไม่หิวไม่โลภไม่อยากอันนี้ไม่มีใครรู้ นนถ้าจะไปเกิดในชั้นเทพหรชั้นผมก็คือเราก็ยังมีิเละลงเหลืออยู่ใช่ ใ, ใช่ <พอ S 2> ใช่มันยังจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่พอเราบวชปุญจากชั้นเทพเทพก็เหมือนกับเราได้เงินได้รางวัลไปเที่ยวต่างประเทศ พ, พอเงินหมดเราก็ต้องกลับมาทํางานใหม่มาหาเงินใหม่เพื่อจะได้ไปเที่ยวใหม่ถ้าไปติดคุกถ้าไปทําบาป ก, ก็เหมือนกับไปติดคุกพอออกจากคุกมาก็กลับมามาทํางานใหม่ ทำบาปก็ปไปติดคุกทำบุญก็ไปเที่ยวในสวรรค์เนีแต่ยังต้องกลับมาใหม่เพราะยังอยากอยากหาความสุขจากทางร่างกายอยู่ทางรูปเสียงกลิ่นโลกอยู่ต้องตัดความอยากต้องใบบวชเนี่ยนักบวชเนี่ยตัดหมดตัดลาบยศสรรเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกร่างกายมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบหยุดความอยากหยุดความโลภ แล้วมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากราบยศแต่ละเสือกลองดูเชิญเท้ามาสบายครับแยกสวายตัวได้ได้เชิวันนี้เผาแล้วเหรอเขาก็ไปแล้วล่ะเขาไปที่เหลืออยู่นี้ไม่ใช่เป็นตัวเขาแล้วเป็นเพียงแต่ร่างกายคนรับใช้เขา ก็แค่ผูกผืออเป็นคนที้เกิดมาเป็นอะไรอ้เข้าท้องของที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ระดับคุณกำลัต้องเท่ากันนะครับคือกระแสเงิที่เข้ามากับคุณพ่อแม่ที่จะรักต้องระดับเท่ากันอันนี้ไม่ทราบเครื่องรับเครื่องส่งอันนี้ไม่ทราบไ ม, ไม่ไม่มีรายละเอียดทั้งทั้ง ทางขับสอนไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้สอนไว้เพราะว่ามันมี <c oughs> เหตุปัจจัยหลากหลายด้วยกันพ่อแม่ของเราไม่ใช่มีแค่คนที่สองคนเรามีพ่อแม่ไม่รู้กี่พันคู่ว่าเราเกิดมาแต่ละภบแต่ละชาตินี้มันไม่ได้จะได้พ่อแม่คู่เก่าหรอเพราะพ่อแม่เราอาจจะไปเป็นอะไรก่อนก็ได้ก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ กับจังหวะที่เราจะมาได้เขาเป็นพ่อแม่เนี้มันอาจจะไม่ตรงกันก็เราเปรียบเทียบเวาลาโอกาสที่คุณจะไปพบกับรถที่คุณไปติดที่ไฟสีแยกไฟแดงคันเดียวกันเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันนี่จะมีทั้มากน้อยเพียงไรสมมติคุณไปจอดไปติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วรถข้างซ้ายมีรถสีแดงข้างขวามีรถสีเขียวแล้วคุณ กลับมาจอดที่เดิมนในขาวหน้าที่ว่าจะมาเจอรถสองคันนั่นนคือระดับบุญกรรมกิที่เข้าไปเกิดกับคุณแม่เนี่ยจะต้องบุญกรรมแบบขึ้นคือรับขึ้นส่งแบบมีก้าวติดสำหรับก้าวติดอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับเราการที่เราจะมาได้ร่างกายของมนุษย์ใจเราต้องอยู่ในในภาวะที่เป็นกลางคือบุญก็เท่ากับบาป บุญไม่สามารถเดึงเราไปสวรรค์ได้บาปไม่สามารถเดึงเราไปอบายได้ดังนั้นจิตของเราก็พร้อมที่จะมารับร่างกายของมนุษย์นี่จะได้ร่างใครของใครนี้ก็แล้วแต่จังหวะเหมือนกับคุณขับรถหาที่จอดรถเนี่ยคุณเวลาขับรถหาที่จอดรถเจอช่องว่างที่ไหนคุณก็เข้าไปเลยเวลาที่คุณอยู่ในภาวะที่จะได้รับร่างของมนุษย์เนี่ยในมนุษย์ คนไหนเขากำลังต่อร่างขึ้นมาเขาคุณก็ได้ร่างนั้นไปคืออันนี้ไม่รู้นะเพียงแต่เป็นการ เ, าเรียกว่าคว่าคาดคะเนหรือว่าเป็นการาวิจัยก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน And จะกำหนด ว, ว่าเราจะกลับมาเกิดในท้องแม่คนเก่าคนเดมนี่คงยากแต่แม่ก็พ่อแม่ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะมีร่างกายของมนุษย์แล้วใจของเราต้องอยู่ในฐานะของเป็นมนุษย์คือไม่ได้เป็นอบายไม่ได้เป็นสวรรค์จิตมันบุญกับบาปที่เราทานี่มันมีมีเสื่อมได้เวลาเราไปใช้มันมันก็หมดได้เป็นภาวะที่บุญมากกว่บาแปบบล้วก็ไปใช้บุญในสวรรค์ พอใช้บุญนั้นกลับลงมาเท่ากับบาปมันก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนถ้าเป็นภาวะของบาปมากกว่าบุญมันก็ดึงเราไปอบายก่อนแล้วพอไปใช้บาปจนกระทั่งบุญกับบาปเท่ากันมันก็กลับมาได้น่างกายของมนุษย์เนี่เวลาได้ได้ได้จังหวะที่จะมาเป็นมนุษย์นี้ใครที่พร้อมใครที่กําลังกําลังมีการเขาเรียกอะไร กำลังก่อสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างเด็กขึ้นมาก็ช่วงนั้นเราก็ไปเราก็ไปไปรับร่างนั้นมันก็แล้วแต่ว่าใครไปถึงก่อนเพราะไม่ใช่มีจิต ด, ดวงเดียวที่จะไปรอเอาร่างกายกันใช่ไหมจิตมันมีต้องหลายพันดวงหลายหมื่นดวงที่อาจจะมีภาวะพร้อมที่ไปเป็นมนุษย์ด้วยกันก็เหมือนรถที่ขับหาที่จอดรถรถก็ไม่ใช่มีคันเดียว มันก็มีหลายคันหาที่จอดรถกันช่องไหนว่างเขาก็จอดกันเขา้าไปจอดกันเรื่องกรรมนี้ท่านบอกท่านบอกว่าอย่าไปาไปพิจารณาให้มันละเอียดลึกซึ้งก่อนไปเพราะว่ามันเหนือเนือความสามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ให้รู้เพียงแต่โดยหลั ก, กแล้วกันว่าทำทาดีก็ได้ดีทําบาปก็จะได้บาปทําบุญได้บุญทําบาปได้บาป ถ้าจิตสุดท้ายเราเรากลัวว่าเรายังต้องมาเวีนว่ายตเกิดที่่อเราอยากจะเกิดในประเทศที่มีร่มเงาแห่งเขาเพื่อศาสนาอยู่เงี้ยครับหลวงพ่อมันกำหนดไหมสุดท้ายเราหรือเปล่าไม่หรอกมันคือจิตสุดท้ายเราก็คือเป็นจิตที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทําทั้งหมดที่เราทําอยู่จนถึงวาระสุดท้ายเหมือนกับบัญชีเงินฝากที่เราทําไว้ที่เราฝากไปเรื่อยๆเยนยะพอตอนที่เราไปถอนนั่นก็เป็นวัด ก็เป็นเป็นเป็นบัญชีสุดท้ายมันหมายเลขสุดท้ายของของบัญชีเวลาเราตายไปนี้บุญกรบบาปที่เราทำไว้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นยอดยกยอดขึน้นมาเป็นจิตสุดท้ายไปซึ่งอาจจะบุญมากกว่า บ, บาปก็ได้หรือบามากกว่าบุญก็ได้หรือบุญเท่าเท่ากับบาปก็ได้มันก็มีสามสามยอดถ้าบุญมากกว่ามันก็จะไปเกิด เป็นไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่ามันก็จะไปอบายถ้าถ้าเป็นยอดของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้านี้คือท่านตัดความอยากหมดไปท่านก็ไม่กลับมาเกิดใหม่ยันอยู่ที่ว่าเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องพยายามตัดความอยาก ทั้งสานี้ให้หมดไปจากใจตลอดให้มันหมดไปตลอดเวลาพอหมดเมื่อไหร่ปับ๊บมันก็ถือว่าวันลาสุดท้ายของเรานี้มันก็จะต้องนิพพานแน่นอนเพราะมันนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเขาเนี่ยพระพุทธเจา้านิพพานตั้งแต่ในวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นท่านนั่งสมาธินั่งขับบางลังอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบอโดยกระทั่งไม่มีความอยากได้ราบดดยศแต่ละเสริญไม่มีความอยาก มีอยากเป็นอยากได้อะไรอยากมีอะไรท่านก็รู้แล้วว่าจิตของท่านนี้ไม่ไปไหนนะอันนีนะ้คือจิตสุดท้ายมันสุดท้ายก่อนตายตั้งสี่สิบห้าปีดนะัง น, นั้นจิตสุดท้ายเราจะมาทำมันขึ้นมาเองในขณะวาระสุดท้ายเราทำไม่ได้เพราะงั้น คืเมื่อเราเราจะมาเปลี่ยนบัญชีของเรายอดบัญชีของเรามันห้าร้อยพอตอนตายเราเขียนเป็นพันห้าเนี่ยมันเขียนไม่ได้หรอกประจ่ายบั <c oughs> <c oughs> มันต้องคอยเอาเงินใส่ก็ไปได้เรื่อยมันถึงจะได้พันห้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอวันตายแล้วกูค่อยมาเขียนบัญชีเองเขีย <c> น <oughs> <c oughs> ไม่ได้บุญ <c oughs> ต้องสะสมไปเรื่อยบาป ก, ก็ต้องสะสมไปเรื่อยยินเลย ก, ก็ต้องตัดไปเรื่อยแล้วสะสมไปเรื่อยมัน มันไม่ได้มาอยู่ที่ว่าวันสุดท้ายก่อนเราตายแล้วเราจะมาทําบัญชีให้มันเป็นปลายทางความต้องการของเราได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกยังงั้นคนก็ไปทําบาปมันทั้งชาติเวลาจะตายก็มาคิดทําบุญคิดนิพพานแล้วมันก็ไปนิพพานมันคิดไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้เพราะขนาดมีชีวิตอยู่มันยังทําไม่ได้แล้วเวลามันจะตายมันจะเอากระติดกระใจมาทําบุญที่ไหน ขณะตายมันก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจทั้งอาจจะไม่มีสติสตางค์จิตได้ซ้งไปที่จะทำอะไรได้เล ย, อยไอ้บางคนตายบางคนนี่เสียสติก่อนตายก็มีอย่าไปคิดว่ามาราสุดท้ายเรามาทาจิตให้ดีก็แล้วกันแล้วมันจะไปดีถ้าต้นมันไม่ดีปลายมันไม่มีวันดีหรอถ้ามันทำต้นดีแล้วปลายมันก็ดีเพราะ ปลมันก็คือผลนต้นก็คือเหตุเนเหตุก็คือการกระทำที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลมันก็ต้องดีก็คือจิตก็จะสงบจิตก็จะมีความสุขมันก็จะไปสวรรค์หรือไปนิพพานแล้วแต่ความดีที่เราทำมีมากในระดับไหนถ้าระดับของพระพุทธเจ้าก็ตัดความอยากให้หมดไปเลยนี่ก็เป็นการทำความดีอย่าง อย่าไปกังวลเรื่องจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายมันก็คือจิตที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะเราอาจะเราจะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายวันนี้ก็ได้พอตายวันนี้จิตสุดท้ายของเราก็คือยอดที่เรายอดบุญรือยอดบาปที่เราได้ทำมาถึงวันนี้แต่ถ้าเรายังไม่ตายเราก็ยังมีโอกาสเพิ่มยอดบูญลดยอดบาปลดกิเลสลดตัณหาได้ แต่เราไม่ทำกันเนยพอเวลามีจะทำกลับไปทำอย่างอื่นแทนไปทำกรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือเป็นทากลางๆคือไปหาประโยชน์สุขให้กับตัวเรานี่เรียกว่าไม่ไปการทำบาปไม่เป็นการทำบุญไปทำมาหากินไปหาเงินหาทองแล้วก็มาหาความสุขของเราอันนี้ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นบุญถ้าเราไม่ได้ทำผิดศีลแต่เราไม่ได้เอาเงินที่เราได้มาไปทาบุญเราก็ไม่ได้บุญ เราเอาเงินนี้ไปเที่ยวแทนนี้เราก็เราก็จะได้สะสมกิเลสตัณหามากขึ้นตั้งเองทำให้พบชาติของเรานี่มีมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง mm hmm. มีอะไรอีกไหมพี่จีที่พ่อพวกมี้เลยทำให้เขาแต่ว่า เพื่อในวิจารณ์จริงให้คำสอนให้คำนึงนการกระทำใ น, ป, นปัจจุบันอปัจจุบันเราจะทำได้แค่ปัจจุบันนะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันก็มีปัจจุบันที่เคลื่อนไปเรื่อยแต่มันเป็นปัจจุบันของมันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันจะทำอะไรก็ทำตอนนี้นะตอนนี้กำลังทำเหตุที่ดี การศึกษาธรรมก็เป็นการกระทำเหตุที่ดีเหมือนการดูแผนที่เวลาเราเป็นคนเดินทางเราต้องการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการแต่เราไม่รู้ทางเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนถ้าเราไม่ดูแผนที่เราก็ไปไม่ถูกการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เป็นการศึกษาทางที่จะพาให้เราไปสู่ <c oughs> ความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่ถาวร ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดก็ <c oughs> กำลังทำเหตุที่ดีในปัจจุบันสร้างปัญญาบารมีขึ้นมาเร า, <c oughs> าก็ใช้ปัญญานี่เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตต่อไปนี้เราอาจจะทำบุญมากขึ้นทำบาปน้อยลงเที่ยวน้อยลงทำในตามความอยากน้อยลงลดความอยากน้อยลงไปยินดีตามมีตามเกิด เขาให้ตำแหน่งก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเฉยๆย้ายไปไหนก็ไปจะอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็ตัดความอยากไปได้ใจก็จะมีความสุขมากกว่าเวลามีความอยากเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมอยากจะย้ายไปที่นู่นเขาให้มาที่นี่ก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าทาใจกลางๆไปไหนก็ได้มันก็สุขไปนู่นก็สุขมานี่ก็สุข หรืออย่างไรไม่ทุกข์ให้ไปที่ไหนก็ไปได้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความอยากแล้วมันทุกข์ถ้าไม่ได้ไปตามที่เราอยากไปให้เห็นโทษของความอยากว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันตัดความอยากแล้วใช้ความสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่ทุกข์กันแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดว่าแก่มาเจ็บมาตายกัน ก็เรามีช่วงที่สองมีการถามตอบปัญหาตอนนี้เราถ่ายทอดสดผ่านทางเ c e b o o k กับ YouTube อยู่ถ่ายทอดสดทุกวันสองถึงสี่โมงก็มีผู้ติดตามแล้วก็ส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาก็จะตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ<ม>ทางเฟ Facebook วันนี้สูงสุดสามรอบอค่ะทุหกสิบ<ม>กว่าคนระับอ่ามีคำถามไหม ถามเลยท่านที่อยู่แล้วอยากจะกลับตอนนี้ก็กลับได้นะไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ไปจนทั้งปิดรายการใครอยากจะนั่งฟังต่อก็ฟังได้ใครอยากมีธุระอยากจะกลับก็กลับได้ก็ล อ, อ า, าฟังมืออ่นานนานดีนะครับ อ, อ่เชิญ คำถามจากเฟซบุ o กไลฟ์คำถามจากสังนะเนีนพิธิวัตการที่มีคนกล่าวว่าอย่าไปเฆ่งวินัยให้มันมากมันจะเหมือนอยู่ในกรอบให้ลดหย่อนบ้างการที่คนคนหนึ่งเฆ่งคัดในวินัยกับถูกสอนว่าอย่าไปเฆ่งมากจนเกินไปกล่าวว่าวินัยพุทธองค์บัญญัติเป็นแค่อุบายการยึดวินัยที่ถูกต้องกับถูกว่ามีทิฏฐิมานะมากไปแต่ผมกล่าวว่า ทำมาวิญญาณพระองค์กล่าวไว้ดีแล้วอย่าไปลบล้างแสงเสริมเพิ่มเติมเลยการกระทําของบุคคล น, นั้นเข้าข่ายการกล่าวตู่พระธรรมวินัยหรือไม่และผมควรยึดวินัยอย่างถูกต้องต่อไปใช่ไหมครับก็กฎระเบียบก็มีไว้เพื่อให้เราเคารพให้เราปฏิบัติตามแต่เราควรจะมาใช้กับตัวเราอย่าไปใช้กับคนอื่นก็อย่าเอากฎระเบียบนี้ไป จ่อไปจ้องดูคนอื่นแล้วไปว่าเขาไปตาเนิตีเตียงเขาให้เอากฎระเบียบนี้มาใช้กับตัวเราเรามาตาเนิตีเตียงกับตัวเราถ้าเราไม่ทําตามกฎตามระเบียบส่วนคนอื่นก็จะทําตามหรือไม่ทําตามนี่มันไม่ใช่ธุระของเราคําถามจากคุณจูนข้อที่หนึ่งถ้าเราถือสินแบกมีหน้าที่ทําอาหารชิมรสชาติตอนปรุงแต่งอาหารช่วงปีสามถึงสี่ ถือว่าผิดสีไหมครคงไม่ผิดมั้งค่ชิมแค่คาสองคาอยาชิมทั้งช้างข้อที่สองถ้าตอนนี้เราอยากบวชชีช่วงเข้าพรรษาสามเดือนสมควรหรือไม่ครับเคยไปถือสีแปดณสถานปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่ชีปฏิบัติจริงจังเจ็ดเดือนหรือรอเวลาที่อยากจะบวช ตลอดชีวิตดีคะถ้ามีโอกาสก็บวชไปเลยใครจะไปรู้ว่าบวชแล้วอาจจะไม่สึกก็ได้ <c oughs> ถ้าไปรอโอกาสบางทีมันจะไม่มีโอกาสดังั้นถ้ามีโอกาสถึงแม้จะบวชแค่สามเดือนก็บวชไปเถอะไม่แน่บางทีบวชแล้วมันได้ลดพระธรรมแล้วมันก็จะไปต่อเองคํถาถามจากคุณไนยนาปัจจุบันนี้ทําไมบางวัดเขาชอบขายบุญ และคนชอบซื้อบุญในคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าท่านไม่ได้สอนไม่ใช่หรือคะแต่โยมไม่ชอบแต่ก็ไม่ขัดส่วนมากการทำบุญโยมเอาที่สะดวกไม่ให้ไม่ทำให้ตัวเองลำบากทำตามกำลังค่ะก็การการทำบุญนี้คนจะทำแบบธรรมชาติหรือไม่ควรจะทำแบบระดมกันออก็ก็ให้สอนให้คนรู้จักทำบุญก็คือให้มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือกันอันนี้เป็นหลักของการทำบุญไม่ใช่ทำบุญเพื่อมาทาั้งถาวรและวัตถุใหญ่โตโวรานอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักของการทำบุญที่ถูกต้องเราทำบุญนี่ทำเพื่อหนึ่งผู้ให้จะได้คลายความยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของตนแล้วก็ผู้รับก็จะได้รับสงการสงเคราะห์ผลนผล่นอนคลายความทุกข์ยากลบาบากต่าง อันนั้นคือหลักของการทําบุญที่แท้จริงทําเพื่อผู้ให้จะได้มีความเมตตาแล้วก็จะทําให้ผู้ให้ น, นี้สามารถก้าวขึ้นสู่ทําระดับสูงต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลคนที่ทําบุญนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรู้สึกการรักษาศีลนี้ไม่ยากเย็นแต่อย่างใดคนที่ไม่ชอบทําบุญนี้จะจะจ ะ, จะไม่คํานึงถึงเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่น เพาะเอยากจะได้เงินมากๆเขาอยากจะรักษาเงินทองเขาไว้เขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินแอะรักษาเงินทองเขาเขาก็อาจจะไปเบียดเบียนทาบาปได้แต่ผู้ที่ทำบุญนี้จะมีแต่ความเมตตาอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้คนอื่นผ่อนคลายจากความทุกข์ยากลำบากก็จะทำให้เวลาทำอะไรนี้จะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะทำให้รักษาศีลได้ นี่คือเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงเพื่อให้เป็นขั้นบันไดให้ก้าวสู่ขั้นธรรมที่สูงขึ้นไปทำบุญได้ก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้าได้ต่อไปก็จะเพิ่มเป็นศีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปนั่งสมาธิไปทำได้ถ้าปฏิบัติได้ต่อไปก็ไปบวชได้มันเป็นธรรมที่เป็นขั้นขั้นเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้ไปบวช ให้ไปปฏิบัติเพื่อไปตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ใช่ทำบุญเพื่อให้ล่ำให้รวยขึ้นในภพหน้าชาติหน้าถึงแม้จะรวยในภพหน้าชาติหน้ามันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแล้วก็ต้องทำบุญต่อไปเรื่อยๆนี่มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดกลับมาชาติหน้าก็ต้องมาทำบุญต่อเพื่อชาติต่อไปจะได้รวยเหมือนชาตินี้แล้วมันก็ต้องทาอย่างนี้ไปจนไม่มีวันสิ้นสุด ถ้เวลาแก่เจ็บตายก็ต้องทุกกับความพัดภ้าจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้แต่ถ้าการสอนให้ทําบุญเพื่อให้ร่าให้รวยก็เป็นการสอนที่ผิดแ ต, แตถ่ถ้าบอกว่ามีผลเกิดจากการทําบุญนี้ทําให้ร่ารวยนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันก็มีผลจริงๆควันที่ทําบุญถ้ายังไม่ได้ยังยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ชาติน้าก็จะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่ตนเองได้ทําไว้ แต่เป้าหมายของการทําบุญนี่ไม่ได้ทำเพื่อให้กลับมาเกิดมาร่ำมารวยทำเพื่อไม่ให้มาเกิดก็ะทํานะทำเพื่อให้ได้ไปรักษาศีงไปปฏิบัติธรรมไปบวชไปไปมิพานกันนี่คือเป้าหมายของการทำบุญเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลเรียนอนุบาลเพื่ออะไรเพื่อให้ไปจบไปเรียนยาเอกใช่ไหมไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้สิ่งอย่างอื่น ขอให้เราเข้าใจว่าการทําบุญนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินของการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราแต่ขอให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้ทําเพื่อให้เราเลําให้รวยเราทำเพื่อต้องการปฏิบัติพัฒนาการปฏิบัติจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคําถามจะผููถามบนศาลานะครับเมื่อปฏิบัติไปแล้วได้เข้าไปรับรู้ความจริงว่ามีแต่สภาวะ ไม่มีตัวตนมีแต่ขันห้าทําให้ยอมรับการปัดสั้ของพระพุทธเจ้าว่าจริงจิตรู้แล้วแต่ทําไมจึงยังยึดว่ามีตัวเราของเราปล่อยวางไม่ได้คะก็เพราะว่ามันปล่อยวางได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมากิเลส ท, ที่มันถูกกดไว้มันก็กลับมายึดติดใหม่เวลาเข้าสมาธินี่เราเหมือนกับกดกิเลสไว้หรือจับ ก, กิเลสมัดไว้ มันก็เลยไม่สามารถมาทําให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราได้แต่พอเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเราเอาเชือกมัดมือออกไปกิเลสมันก็จะมามัดใจเราให้ติดกับร่างกายต่อไปเราถึงต้องใช้ปัญญาสอนตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเราต้องมาใช้ปัญญาสอนว่าร่างกายไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาตายไปมันก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นดินน้าลมไฟไป สอนมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆแล้วมันจะคลายมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเองแล้วพอเวลาจะตายมันก็จะปล่อยได้มันจะไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่ายึดยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดียึดแล้วมันก็ทุกข์ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์มันก็จะไม่ยึดคำถามจากคุณเพนพันลูกเพิ่งผ่านบททดสอบเมื่อเช้านี้มีคนไข้ ถูกยุโยงให้มาเอาเรื่องกับลูกลูกตั้งใจมั่นใจในคําสอนว่ารับรู้แต่ไม่ยึดมั่นในตัวเองใช้คําอธิบายอย่างจริงใจลูกจึงผ่านโจทย์นี้ได้ทั้งที่ตั้งโจดให้กลับไปเอาเรื่องโรงพยาบาลที่ยุโยงมารู้สึกว่าใจเรามันดีขึ้นมากมายก้าวข้ามกรรมไปอีกเรื่องลูกทาถูกใช่ไหมเจ้าคะเออเอาโหสเซกรรมดีที่สุดเดี๋ไปจองเวรจองกรรมกันเลย อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไปจองเวรจองกรรมมันก็จะทำให้ยาวยืดพอเราไปทำเขาเขาก็จะกลับมาทำเรากลับไปทำกันไปทำกันมาก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะถึงกับฆ่าฟันกันคา ถ, ถามจากคุณทวิชาก่อนตายเรามีสติตั้งมั่นสามารถเอาจิตอยู่กับกายจนร่างกายแตกดับ วิญญาณหรือตัวรู้ไม่สามารถไปเกาะผ่านอื่นเท่ากับว่าเรามีทานหรือเปล่าเจ้าคะจะลองทําดูซิงเงี้ยเรื่องสันติโกมันถ้าทําไม่ไปเกิดเองมันก็นิพพานนะแต่ยังไปเกิดอยู่มันก็ยังไม่นิพพานคําถามจากคุณมีสักมีสีคลาลาว่าสามารถไปมีทานได้ไหมครับต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับหรือว่าต้องบวชอย่างเดียวถึงจะไปได้ คือไม่ว่าพระหรือคารวะไปได้ทุกคนถ้ามีสีนสมาธิปัญญาปัจจัยที่จะทำให้จิตไปนิพพานนี้คือสีนสมาธิปัญญาไม่ได้เป็นเพราะเป็นคาวาะหรือเป็นนักบวชเพียงแต่ว่าการเป็นนักบวชนี้อาจจะทาอาจจะเอื้อต่อการเจริญสีนสมาธิปัญญาทำให้เกิดสีนสมาธิปัญญาได้ง่ายได้มากกว่าการเป็นคารวะแต่คารวะบางคนอาจจะเป็นคนที่เขามี อ, อภิสิทธิ์มีโอกาสที่เขาสามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาได้โดยที่เขาไม่ต้องไปบวชเขาก็บรรลุ ก, กันได้ในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งคารวะมีทั้งพระนักบวชที่บรรลุเป็นไปบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้เช่นพ่อของพระพุทธเจ้านี่ก็บรรลุได้เจวันก่อนจะเสด็จสวนโคตเนี่ยเพราะท่านก็มีผู้ให้ปัญญาคือพระพุทธเจ้าไปคอยสอนอยู่ แต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ว่าอยู่ที่ฐานะว่าเป็นคารวาหรือเป็นนักบวชเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่มีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์หรือเปล่าถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ก็ไปไม่ผ่านได้เหมือนกับเดี๋ยวนี้เวลาเราไปขึ้นเครื่องบินนี้เขาไม่ได้ดูเพศใช่ไหมก็ดูตัว๋วใช่ไหม <laughs> ถ้าคุณมีตัว๋วมีเลขที่นั่งเขาก็ให้คุณขึ้นไป ถ้าคนไม่มีตั๋วไม่มีเลขนั่งเขาก็แม่้ขึ้นไปแต่ในนิพานก็เขาจะดูที่ศีลสมาธิปัญญาถ้าคุณมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคุณก็ไปนิพานได้พระอาจารย์ครับมีคนมากครับที่สงสัยว่าระหว่างสัญญากับปัญญาจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือสัญญาอันไหนคือปัญญาครับอาจารย์ปัญญามันไม่ลืมไงไม่ลืมว่ากิเลสนี่เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์พราะเกิดกิเลกก็ตัดได้ตัดได้ แต่ถ้าเป็นสัญญาก็จําไม่ได้รู้แต่ตอนที่ฟังเทศฟังธรรมว่ากิเลสความอยากนี้เป็นทุกข์แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาลืมไปหมดเลย <c oughs> อยากเที่ยวก็ไปเลยนี <c oughs> ย่เราสัญญาไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาก็ไม่ไปจะจําได้จําได้ออกไปเที่ยวนี้ไม่ดีเป็นทุกข์เพราะเที่ยวเราต้องเที่ยวอยู่เรื่อย <c oughs> ๆก็จะเลิกเที่ยวได้ คำถามจากคุณซันชยัยข้อที่หนึ่งการขอพรอก่อนทนําบุญหรือว่าปฏิบัติว่าขอให้บรรลุมรรคผลมิพานในชาตินี้ก็ไม่ควรขอใช่หรือเปล่าคะขอแล้วมันได้หรือเปล่าถ้าขอได้ก็ขอถ้าขอไม่ได้ก็อย่าขอเพราะการจะได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่การขอมันอยู่ที่การกระทำข้อที่สองทำไมชาวพุทธหลายๆคน ไปขอพรโชคลาภหรือขอให้มีบุตรจึงได้สมความปรารถนาจนวัดนั้นดังมากมีคนไปมากมายคะเพราะเป็นชาวพูดในทะเบียนไม่ได้เป็นชาวพูดในใจ <c oughs> ไม่ศึกษาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเลยข้อที่สามก่อนนั่งปฏิบัติจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและมีชีวิตอยู่ ให้ช่วยส่งกระแสมาให้การปฏิบัติมีความสําเร็จและสงบนิ่งจะได้หรือเปล่าคะไม่ได้เหมือนกันขอไม่ได้ทั้งนั้นนะแล้วไม่จําเป็นท่างให้ทำมาช่วยท่านสอนให้อัตตาหิอัตโนนาทของตอนเป็นทีน่ซึ่งของตนท่านสอนให้เรามีสติในอย่างเดียวแต่ละนั่งสมาธินี้ให้มีสติแล้วความสงบมันจะมาเองข้อที่สี่ ถ้าเรามีอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ที่ปลายแล้วเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่สดหรือปลาเค็มปากแห้งโดยเราซื้อมาอีกทีไม่ได้ค่าเองถือว่าผิดสิ่ข้อหนึ่งหรือเปล่าคะาไม่ได้ค่าเองแต่ถ้าสั่งก็ยังผิดอยู่ถ้าสั่งเขาไว้ลงหน้าพรุ่งนี้ยาวเป็ดสามตัวเงี้ยก็ยังผิดอยู่ต้องไปซื้อตอนที่เขาค่าเสร็จแล้วโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ซื้ อ, อได้อยู่เพราะว่ากฎหมายหรือศินค้านะครับกฎ ของเสียงก็คือทำเองก็ดีสั่งให้พูนทำให้ก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันคงถามจากคุณมนเคยนั่งจนตกหลุมแล้วครั้งหนึ่งหาย่ายไปเลยครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการมีสติจดจอ่อไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็สงบตกหลุมเข้าไปคงถามจากคุณณพลคำว่าเฉียวอารมณ์นิพานคืออะไรครับมีความหมายอย่างไรครับ แล้วการที่ผู้ปฏิบัติจะสัมผัสอารมณ์นิพพานได้จะต้องทําอย่างไรครับ sí อันน yes, ี wow ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่เคยได้ยินเฉียวอารมณ์นิพพานหรืออาจจะว่าได้ไปสัมผัสแบบผิวเผินหรือเปล่าก็เวลาจิตสงบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับได้ไปลิ้มรสพระนิพพานนะเพราะเพียงแต่ว่าพระนิพพานนี่มันถาวรมันสงบตลอด24ชั่วโมงแต่เวลาเรานั่งสมาธินี่อาจจะสงบปั๊เดียว วินาทีหนึ่งสองวินาทีแล้วก็สอนขึ้นมาอย่างนี้เราเรียกว่าเชียวป น, นิพนังก็ได้ส่วนใหญ่คนเขาจะมักจะคิดว่านี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสิ่งบันเทิงต่างๆมันมีความสุขมากกว่าความสงบก็ว่าอย่างใช่คือ เ, เขาถ้าติดกันไงเหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะเอ า, าคิดว่าติดยาเสพติดนีดด่ดีกว่าคนที่ไม่ติด เ, เขาว่าเสพกันแต่คนฉลาดต้อรู้เนี่ยติดเสพ ย, ยาเสพติดแล้วมัน มันทุกเวลาไม่มีเศษแต่คนที่ไม่ติดนี่เวลาไม่มีเศษเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรคำถามจากคุณปานีเทวดาภมไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์ใช่ไหมก็พักหรือก็เฉยสุขอย่างเดียวใช่ก็เหมือนกับมนุษย์ที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแต่ความสุขเพราะมีเงินซื้อทุกอย่างซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออาหารซื้อลูเสียงกลิ่นรส ตอนนั้นก็เป็นเหมือนเทวดาแต่พอมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนตอนที่เรากลับมาทํางานกลับมาหาเงินเป็นมนุษย์นี่เราต้องหาเงินหาข้าวหาอาหารหาอะไรต่างๆแต่เวลาเป็นเทวดานี่เป็นแต่เวลาเสพความสุขเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันพรอาจารย์ครับแล้วตอนที่เทวดาจะหมดบุญเนี่ยที่ต้องไปเกิดใหม่โดยที่ยังไม่รู้ว่าต้องไปเกิดเป็ น, นอะไรอัดเป็นเดรัจฉานก็ได้ช่วงนั้นก็เป็นทุกข์เลยครับอาจารย์ ก็ก็ตกจากสวรรค์มาก็ต้องทุกก่อนเลอ๋อช่วงนั้นช่วงนั้นจะเกี่ยวไหมครับจิตของเทวดานี่สามารถกําหนดที่ไปด้วยได้เหมือนกันไหมเทวดามันมันไปตามกําลังของบุญของบาสมันก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนเพราะแสดงว่าบุญหมดกําลังที่จะดึงให้อยู่บนสวรรค์แต่บาปก็ยังไม่มีกําลังที่จะดึงให้ไปไปอบายมันก็จะต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนเพราะการที่มันจะติดลบมันก็ต้องผ่านศูนย์ก่อนใช่ไหม จากบวกจะลงไปหาลบนี่มันก็ต้องผ่านตรงจุดสูนย์นก่อนจุดสูนก็คือจุดที่บุญกับบาปมนะันมีกำลังเท่ากันมันก็เลยยังเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาทำบาปมากกว่าบุญนี่มันถึงจะลงไปอาบาลงไปอาบายอีกทีนี่ยคำถามจากคุณขันติพงศ์หลังจากกายดับจิตต่อจากนั้นมีการรับรู้สภาวะธรรมหรือไม่ครับก็เหมือนคนนอนหลับ่ย เวลาจิตนอนหลับเวลาตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตายชั่วคราวแตงแต่ว่าร่างกายมันยังยังไม่ได้ตายจริงเวลานอนหลับนี่จิตก็ร่างกายไม่ทำงานน่ะไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแต่จิตก็ยังสามารถสัมผัสโลกทิดได้อยู่เช่นเราฝันเนี่เวลานอนหลับเราฝันดีฝันร้ายฝันดีก็แสดงว่าเราไปสวรรค์กันฝันร้ายก็แสดงว่าเราไปอบายกันแล้วพอร่างกาย ตื่นข้มาเราก็กลับเข้ามาสู่ที่ร่างกายกลับมารับเรื่องเรื่องของร่างกายต่อจากคุณชาญชัยนะครับผมมีเรื่องสงสัยคือผมดูโทรทัศน์แล้วเขาพูดว่าถ้าเขาพูดไม่เป็นความจริงขอให้ลดความตายแล้วผมเผลอไปคิดตามเขาในใจถือเป็นการสาบานหรือเปล่าครับมันจะสาบานไม่สาบานก็ไม่สําคัญนะมันไม่เป็นเหตุที่จะทําให้ลดความตายและไม่ความตายหรอก คำถามจากคุณก่อนเวลาเรานั่งสมาธิเราเอาจิต ด, ดูกายและใช้คาบริกรรมยุบหนอพองหนอดูที่ท้องนั่งไปเรื่อยๆขาเริ่มชาเรากำหนดชาหนอแล้วความชาก็หายไปทำไมกายเราถึงมีความเจ็บปวดโดยที่ใจเราไม่ได้สั่งเจ้าคะเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นจิตใจมันเป็นคนละคนกันร่างกายมันก็มีเหตุเป็นตับใจของมัน มันหิวข้าวหิวน้ำมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไหมมันในเหตุทำให้มันเป็นไม่ใช่จิตเป็นผู้ทำให้มันเป็นนั่นมันก็เป็นของมันแล้วมันก็หายของมันไปตามเหตุตามปัจจัยจิตเราควรจะเพียงแต่รับรู้แล้วอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพอเวลาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่นแล้วมันไม่เป็นเราจะทุกข์เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราอยากให้มันหายพอไม่หายมันก็จะทาให้เราทุกข์ ถ้าเราเฉยๆดูมันไปมันเจ็บก็ปล่อยให้ดูมันเจ็บไปเดี๋ยวมันจะหายก็หายเองมันมันไม่หายก็อยู่กับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณรัชดาขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะเมื่อผิดหวังคิดเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะต้องตั้งสติให้ได้โดยพุตโทพยายามใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้สงบ แต่คุมความรู้สึกไม่ได้ดีนีอาการกับความดันทันทีควรทําอย่างไรดีคะก็อย่าเพิ่งไปวิเคราะห์เลยเราไม่มีปัญญาที่จะไปวิเคราะห์ได้ไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากความเสียใจได้ก็ให้ใช้สติเนี่ยช่วยขวดมนไปพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพอจิตไม่ได้คิดถึงมันแล้วจิตก็จะสบาย คำถามจามกคุณยุย้ยการปฏิบัติธรรมยุบหน่อบ้องหน่อนั้นมีการสะสมพลังจิตหรือไม่คะก็มีการสะสมสติไงสติก็เป็นพลังของจิตถ้าถ้ามีสติจิตก็จะหยุดกิเลสได้ทําจิตให้สงบได้ถ้าไม่มีสติ ก, ก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้คำถามจามกคุณดิลลี่พอดีกําลังจะบวชครับพ่อแม่อยากให้อยู่วัดบ้าน แต่ครูอาจารย์อยากให้อยู่วัดป่าและก็มีพระบางลูกที่บอกว่าอยู่ไหนมันก็สถานที่เหมือนกัน <c oughs> การปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราตอนนี้ผมเลยสับสนว่าจะอยู่ที่ไหนดีครับขอพระอาจารย์แนะนําได้ครับวัดก็เป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนมันก็มีหลายแบบไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าโรงเรียนทุกโร ง, งเรียนมันเหมือนกันที่ไหนเวลาเราบวชเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่สอนเราแล <c oughs> ่ก็มีครูอาจารย์ที่เก่งหรือไม่เก่ง มันก็ต้องเลือกว่าถ้าเราอยากจะ อ, อยากจะได้ผลดีเราก็ต้องเลือกหาครูหาอาจารย์ที่เก่งเพมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวแึ่เม่อเราจะปฏิบัติ ด, ดีแต่ถ้าไม่มีคนสอนให้ปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้เหมือนกับไปเรียนหนังสือทำไมเราไปถึงไปแย่งโรงเรียนดีๆกันชอบไปเรียนสาธิตกันใช่ไมกันี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะ อยากจะบวชแล้วได้ผลดีเราก็ต้องไปหาวัดที่มีครูบาอาจารย์ดีๆวัดที่มีครูบาอาจารย์ดีๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวัดป่ากันเพราะว่าท่านจะเน้นการศึกษาเน้นการปฏิบัติกันถ้าไปบวชตามวัดบ้านท่านจะไม่เน้นการศึกษาการปฏิบัติท่านจะเน้นการทํากิจกรรมกันทําบุญบักสวดศพไปสวดสังฆทานอะไรกันอย่างนี้ก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ คำถามจาคุณดาการดานะครับมีครูสอนศาสนามาถามถึงหลานแล้วโยงมบอกไม่อยู่กลับบ้านมาที่ร้านไม่แน่นอนซึ่งหลานบอกให้พูดเพราะพวกเรานับถือศาสนาพุทธเรียนถามว่ายงมจะผิดศีลข้อมุสาใหมเจ้าคะบังเอิญเขามาโยงมกำลังฟังพระอาจารย์เทศพอดีเขารีบไปเลยเจ้าค ะ, ะถ้าพูดผิดไม่ตรงกับความจริงมันก็ผิด่ะก็อย่าพูดก็แล้วกัน พูดว่าไม่ตอบไม่ได้ไม่อยากตอบอก็ได้แล้ว อ, อย่าพูดก็ได้พูดเรื่อื่นไปเฉยๆไปคำถามจากคุณพรสิริเวลาเรานั่งภาวนาพุทโธโดยนับลมหายใจเข้าออกเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆมี่ความรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยตึงต้นจดจอ่ออยู่กับการนับลมหายใจหนั่งสมาธิได้นานขึ้นและจิตการนับลมหายใจ แบบนี้ถูกต้องอหรือไม่อย่างไรคะก็ถูกครึ่งเดียวแล้วถ้าเราดูลมโดยที่ไม่นับไม่ได้เพราะจิตเราฟุ้งซ่านเราก็ใช้การนับช่วยระงับความฟุ้งซ่านพอจิตหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็ควรจะหยุดนับแล้วก็คอยเพ่งดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยางนับอยู่มันก็จะไม่เข้าลึกไปกว่านั้นถ้าอยากให้มันเข้าลึกไปกว่านั้นเราก็ต้องหยุดนับแล้วก็เพ่งดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวดูมันเข้าดูมันออกไป ่มัันนนจะเเข้้าาไปรกวคำถามจากคุณมันธนาข้อที่หนึ่งเราควรจะบอกคนที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอย่างไรคะไม่ต้องบอกเขาหรอกถ้าเขาไม่ถามอะไรอย่าไปยิ่มเรอเขาถามอ่ถ้าเ็าถามให้ทำไงดีก็บอกเขาลยคุณจะไปบอกเขาไงคุณไม่เคยตายคุณจะรู้วิธีตายรือตายยังไงข้อที่สอง กำลังจะตายเองเราไปยังไงไม่ล่ะพุทโธไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้าปลงได้ก็ปลงไปถ้าปลงได้ก็ดีกว่าพุทโธเรา่าตั้งกายไม่ใช่ของเรามันจะตายให้มันตายไปถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้เชิลานมาแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่พูดอะไรเอาอยู่ชิลานมาจากสีนังกา มีชาวต่างประเทศอยู่สามคนติดตามอยู่เกือบทุกวันคนหนึ่งจากสีร่างกาคนหนึ่งจากอังกฤษคนหนึ่งจากาสเวกัสฝรั่งสนใจแขกก็สนใจจริงๆมีเยอรมันอีกคนในเฟซบุ๊กครับแน่อ่าอ่าว่าต่อคำถามจากคุณนางฟ้าการออกกำลังกายเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ทำไรสุขภาพ เครื่อรักษากายในการใช้ปฏิบัติทำความเพียงถือว่าเป็นการยึดถือตัวตนไหมครับมันก็ยึดแล้วแต่ว่ามันท <c oughs> ุกข์กับมันหรือไม่ถ้าถ้าทุกข์กับมันก็ยึดถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ยึดคือถ้าไม่สามารถหาอาหารตามที่เราต้องการได้แล้วก็ทุกข์อย่างก็แสดงว่ายึดบางทีผักปลอดสารที่ทั้งหมดไม่มีขายต้องซื้อแบบที่ไม่มี แล้วเราก็ทุกงี้ก็แสดงว่าเรายึดแต่ถ้าเราไม่ยึดเราก็เลือกอย่างอื่นแทนก็ได้ก็คิดว่าร่างกายจะเลี้ยงดูมันดียังไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีเงแต่ว่ามันอาจจะตายช้าหน่อยโลกภัยไข้เจ็บมันอาจจะน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่มันก็หนีไม่พ้นสัตยธรรมความจริงว่าเลี้ยงดูดียังไงมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันงี้ถ้ายังยังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่ายังยึดอยู่ เราพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนมันจะขัดแย้งกันไหมคะถ้าเรารักษาธาตุฐานของเราเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่บอกว่าถ้ารักษาเพื่อรักษาแบบตามตามอัตภาพตามเหตุตามปัจจัยคือถึงแม้มันจะไม่จะเป็นของเราแต่เราก็ยังสามารถดูแลมันได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็ใช้ไปดูแลไปแต่ถ้าเราไม่สามารถดูแลมันได้มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ต้องปล่อยมันตอนนั้น คำถามจากคุณวัดถ้าเรายังไม่มีพานตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือไปอบายหรือกลับมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นเทวดาหรืออบายเราจะจาได้หรือเปล่าว่าตอนมนุษย์ในชาติก่อนเป็นอะไรจาไม่ได้หรอกนอกจากเรามีพลังจิต ท, ที่สามารถระ ล, ลึกชาติได้คําถามจากคุณพิเชษ ตอวิธีฝุดตาทิพครับอันนี้นั่งสมาธิไงนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็จะเปิดตาทิพย์ขึ้นมาคำถามจากคุณนคนสมมุติว่าเราทรงอารมณ์เฉี่ย น, นิพนธ์ในขณะตายพอดีหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดขั้นไหนครับก็ให้มันถึงเวลานั้นแล้วก็ไปดูติดตามมันไปดูเองก็แล้วกันเพราะเราไม่สามารถที่จะไป บอกได้เพราะรายละเอียดที่พูดมานี้มันมันไม่ละเอียดชัดเจนก็น mm hmm. แล้วแต่สภาพจิตของเราตอนนั้นว่าเป็นอย่างไงมันก็จะเป็นอย่างนั้น mm hmm. ถ้ามันเป็นเทเมันก็เป็นเทเป็นพรหมมันก็เป็นพรหมเป็นนิพพานมันก็เป็นนิพพานค้องถามจากคุณคนปั้นไปใบตองถ้าเราจะสวดมนนั่งสมาธิต้องอาบน้ําก่อนใช่หรือเปล่าคะ แล้วจำเป็นต้องแต่งชุดขาวทุกครั้งด้วยหรือไม่ถ้าใส่ชุดสีจะได้หรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่จำเป็นหรอกเรื่องอาบน้ำนกับเรื่องของร่างกายก็อาบมันตามเวลาที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องมาอาบเฉพาะเวลาเพื่อมานั่งสมาธิหรอกอาบร่างกา็อาบน้ำเพื่อรักษาร่างกายให้สะอาดอาบเวลาไหนก็ได้ก่อนนั่งสมาธิก็ได้หลังก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกตอนไหน แล้วก็ใส่ชุดขาวก็ไม่ใส่ก็ได้มันไม่เกี่ยวกันถ้าใส่เสื้อผ้าหลวมๆที่มันสบายดีกว่าใส่เสื้อผ้า ค, คลับๆเวลามันนั่งแล้วมันจะลําบากต่อร่างกายเอ๊ะ ถ, ถอขอเสื้อได้ไหมอาจาได้ถ้าเราอยู่คนเดียวถอดกางเกงก็ได้ค น, <c oughs> <c oughs> นชี้เป่วยก็ได้มันไม่เกี่ยวแต่เขไม่ควรถ้าเกิดหน้าหน้าพระเขาไม่ควรถอดนะคะอาจารย์ พระท่านก็ไมรู้พระท่านก็ไมรู้เลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามยอมเข้าใจว่าพระอริยะแต่ละขั้นจิตจะแยกออกจากอารมณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นพระอรหันท่านยังคงมีอารมณ์เหมือนผู้ทุชนแต่รู้ท่านอารมณ์ เกิดกับดับพร้อมกันจิตแยกออกจากอารมณ์ได้ตลอดเวลาเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวโยงเข้าใจถูกใหม่ค ะ, ะก็ลองปฏิบัติดูซิของนี้มันจะได้มั่นใจมานั่งถามมานั่งคาดคณีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณนนยลามีอยู่ครั้งหนึ่ง โยมป่วยไม่สบายโยมนอนดูลมหายใจบางครั้งก็เอาจิตจับที่ร่างกายที่เจ็บ ป, ปวดจนกระทั่งเห็นจิตเริ่มดับลงช้าๆจนกระทั่งดับวูบลงตื่นขึ้นอีกครั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปถ้าโยมตายไปในตอนนั้นโยมจะไปที่ไหนคะสีนสมาธิปัญญาโยมมีพร้อมแล้วปัจจุบันก็แค่สู้ขับสิเดทเท่านั้นค่ะเออมันก็ไปตามฐานะของมันแหละที่ไหนก็แล้วแต่ หมดวหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามมังไงไามถามคงถามเดียวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนิดนึงครับได้ครับดีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการบวชพิจุนีในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีการถกเสียงในสัมมนาหลายที่เคยเคยดูอยู่ว่าที่สังฆาของประเทศไทยเราเองเนี่ยไม่มีแล้ว ห้ามห้ามไม่ให้มีการเปิเพราะว่าไม่มีใช่คือตามหลักของของเถราวาาเรานี้<ะ>มันหมดไปตั้งพันกว่าปีมาแล้ว<ะ>ไม่มีเมื่อไม่มีการบวชต่อเนื่องสืบต่อกันมันก็ถือว่าขาดขาดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้จบไปน่าจะพระสงฆ์เรานี้ถ้าต่อไปไม่มีการบวชเนี่ยหรือว่าไม่มีการบวชพระในประเทศไทยแล้วไม่มีพระหลงเหลืออยู่แล้วต่อมาพวกคนอยากจะมาบวชแล้วมาบวชกันเองก็บวชไม่ได้แล้วเพราะไม่มีพระสงฆ์จะมาบวชให้เรา การจะบวชภิกษุณีได้ก็ต้องมีสองสองมีทั้งภิกษุสองและภิกษุณี ส, สงด้วยถึงจะบวชได้ตามกฎตามกฎพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งวางไว้อย่างนที่ปันดานักสิทธิมุสลินบอกว่ามันเป็นการ ม, มืดมันไม่เข้าเรียมกันระหว่างชายหญิงอะไรมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับก็ก็เป็นเรื่องที่เขากําหนดขึ้นมาของเขาเองทางศาสนาเราก็มีเหตุในผลของเรา นี้จะมาบังคับมันก็ทางกฎหมายอาจจะบังคับได้ั้งทางโลกยงแต่ว่ามันทางทางธรรมมันก็มันก็ไม่เป็นธรรมอยู่ดีจนมันไม่เก็นผลดีๆหรือว่าจะบวชมันก็เหมือนกับบวบวบอมไปอย่างนั้นมันมันจะบวชตามตามที่พระเจ้าได้ทรงเป็นผู้บัญญัติขึ้นมานี่มันไม่ได้นะ แต่ทางโลกสามารถทําอะไรได้อยากจะทําอยากจะบวชก็บวชได้ความจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสีของภิกษุนี้มีสี่ข้อสมมุติเราอยากจะเป็นภิกษุนี้เราก็รักษาสีนั้นเราก็โกนหัวของเราหนุ่งของเราไปก็ ก, ก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเคารพ ก, กฎหมายของบ้านเมืองที่เขามีกฎไว้ว่าไม่ให้แต่งกายเรียนแบบภิกษุนี้เราก็อย่าไปแต่งสีของพระก็แล้วกันเราก็แต่งขาวไปก็ได้ แล้วก็โกนหัวแล้วก็รักษาศีลของแม่ทีไปของภิกษุณีไปสามว่าก่อข้อแล้วก็ถือว่าเราก็เป็นภิกษุณีได้เป็นย่งเป็นจะต้องมาเรียกร้องสิทธิบรุษยะทนไม่มีใครห้ามเลยใช่หการที่เป็นาการจะปฏิบัติแบบภิกษุณีนี้ไม่มีใครห้ามเป็นได้นี่จะมาบังคับให้ทำในสิ่งที่มันไม่มีไม่ไม่ได้ทำกันมันไปบังคับก็ได้ใช่ ก็ไม่มีภิกษุณีและตามหลักของการบวชภิกษุณีมันต้องมีภิกษุณีสงฆ์ถึงจะบวชให้ได้เมื่อไม่มีแล้วจะไปว่ามันมันไม่ถูกได้ไหมแต่ทางโลกเขาก็จะมองว่าเดี๋ยวนี้มันทางความเห็นทางโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามตามเหตุการณ์สมัยโบราณนี่เหตุการณ์มันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันสมัยโบราณนี่ คนนี้อาจะยังจะแบบว่ามีการศึกษาไม่เท่ากันมีความปลอดภัยไม่เท่ากันสมัยก่อนผู้ชายนี่มีกำลังมากกว่าผู้หญิงและไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงเหมือนสมัยนี้มันก็ทำให้ผู้ชายนี้ได้เปรีย ก, กว่าผู้หญิงแล้วก็การเป็นนักบวชนี้ก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่เปลี่ยว ถ้าเป็นผู้หญิงไปอยู่ในที่เปลี่ยวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้พระเจ้าก็เลยไม่อยากจะบวชให้ผู้หญิงเพื mm ่อ hmm. ความปลอดภัยของผู้หญิงเอง mm hmm. สองไม่มต้องการให้มันเป็นภาระกับพระเพราะบวชแล้วพระก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงอีกแล้วพอมาเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวอยู่ใกล้ผู้หญิงเดี๋ยวดีไม่ดีพระก็ mm hmm. ก็ไปนอนด้วยกันอีก mm hmm. มันก็ค่อยรงเห็นว่ามันการบวชภิกษุณีนี่มันเป็น โอกาสที่จะมาทําให้าศาสนาเสื่อมได้ง่ายท่านเลยไม่อยากให้บวชแต่เมื่อมีคนมาประท้วงมาขอร้องท่านก็เลยอนุอนุมันอนุญาตได้แต่ท่านก็สร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อเลือกเล้นเอาคนที่เป็นหัวกะทิมาบวชคนที่อยากจะบวชจริงๆก็เลยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมากกว่าการเอาบวชเป็นพระจะต้องถือศีลแปด อย่างน้อยสิสิแปดด้วยสินสิบอย่างน้อยสองปีก่อนจะบวชเนี่ยหรือว่ารักษาสินสิบได้หรือเปล่าสองปีแล้วต้องรักษาให้มันตลอดสองปีนะถ้าเกิดเหลืออีกสองวันแล้วไปทำผิดสินปั๊บมาให้นับนับเริ่มต้นใหม่เราจะได้ฝึกดูก่อนซ้อมดูก่อนว่าจะมีความทอหดอดทนเหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่หญิงกระชายนี้มีความแตกต่างกันทั้งทางสรีระและทางจิตใจซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ก็จะมองเห็นว่าเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเท่ากันต้องมีสิทธิที่เท่ากันแต่ถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงมันไม่มันไม่เท่ากันอันไม่เหมือนกันงนี้เราก็เรียกผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหมดสลยใช้ชื่อเดียวกันถ้ามาันองายกเป็นผู้หญิงผู้ชายทำไม เพราะมันมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติในคุณในความสามารถในในเรื่องของจิตใจก็ต่างกันก็เลยทำให้คนสมัยใหม่ไม่เข้าใจก็เลยไปคิดว่าศาสนาเป็นศาสนาที่กีดกันผู้หญิงไม่ได้กีดกันหมันเป็นแต่เรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการที่จะรักษาศาสนาให้ให้อยู่ไปได้นาน ก็เลยต้องมีมาตรการคุ้มครองศาสนาแต่พูดกับสําหรับผู้ที่อยากเป็นทุกสุณีก็บวชได้ปฏิบัติได้เป็นเหมือนทุกษุนีได้พิ้งแต่เราต้องทําเราบวชตัวเราเองแล้วเราก็ปฏิบัติไปเองก็ในพระวินัยก็มีในในพระไตรปิฎกก็มีพระวินัยของทิกษุนีมีสามร้อยกว่าข้อเนี่ยก็ไปเปิดอ่านดูแล้วก็ไปรักษาเอาสิปฏิบัติตามกฎ ด, ดันนั้นได้หรือเปล่า ถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครเขาห้ามถ้าที่บวชกันที่มาเรียกร้องสิทธิ์กันนี้ในความรู้สึกเรียกว่าบวชเพื่อกิเลสมากกว่าบวชเพื่อลาบยศสรรเสริญบวชเพื่อจะให้เขารับรองให้คนประชาชาวชา ว, ชาวบุง้งชาวบ้านเขานับถือเหมือนกับนับถือกับพระเพราะการนั้นบวชชีน้้งไม่มีใครนับถือต่าต้อยก็เลยไม่อยากจะบวชชีกัน บวชแล้วอยากจะให้มีสถานภาพเหมือนกับพระอันนี้ก็บวชเพื่อกิเลสแล้วไม่ได้บวชเพื่อละลาบยศสรรเสริญบวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะไม่ได้บวชมาเพื่อละกิเลสบวชมาเพื่อละกิเลสต้องบวชแบบสมัยพุทธกาลมียกตัวอย่างให้มีญาขอางพทธเจ้าห้าูปเป็นเจ้าชายหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชเปนทั้งห้าูป แล้วพอดีมีลูกน้องเป็นช่างตัดผ ม, มก็ขอบวชด้วยเจ้าชายทั้งห้าก็เลยปรึกษากันแล้วก็มีความเห็นว่าให้ลูกน้องบวชก่อนพอเมื่อเขาบวชแล้วเขาจะเป็นผู้อวุโสกว่าแล้วเวลาบวชเสร็จแวผู้ที่ได้วกว่าก็จะต้องกราบผู้ที่อาวุโสกว่า<ม>เนี่ย<ม>เขาบวชกันแบบนั้นในสมัยพุทธกาลบวชเพื่อเพื่อละทิฏฐิ<ม>ละความ ความดงติดในความสูงความต่ำ เ, เป็นเจ้าชายแต่เวลาบวชล้วต้องมากราบลูกน้องก็เหมือนในหลวงเนี่ยตอนที่ท่านตอนที่ท่านก็บอายุหกสิบเนี่ยก็มีพระราชบริทานที่ยอดใช้มาขอบวชถวายเป็นพระราชกุสมเนี่ยมีพวกกัที่ปเดีกมชคุณอะไรคุณสมเมที่ฐา น, นบวชกัน พอบวชแล้วในหลองก็นิมนต์ท่านเหล่านั้นไปในวังไปถวายสังฆทานท่านก็กาพระทุกลูกแสดงให้เห็นว่านี่คือความเคารพในธรรมในวินัยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะมาถือตัวถือตนอยามาปฏิบัติเพื่อมาล่าตัวตนมาละ อ, อันนี้ก็คูรให้เป็นตัวอย่างให้ฟังว่ากำลังหลงประเด็นกันผู้ที่เรียกร้องอยากจะบวชเิงสนี้กั การบวชไม่สําคัญมันสำคัญที่การปฏิบัติ <c oughs> ไม่ตําเป็นเพิกเกยก็ไปทำได้ <c oughs> ไม่ต้องบวชก็สามารถรักษาศีลของพิกุนีได้ไม่มีใครห้ามศีล ส, สาว่ายกับข้าก็ไปรักษาไปสิ <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติศีลสามาธิปัญญาไป <c oughs> มันก็บรรลุได้ถ้าประการบวชเพื่อบรรลุธรรมมันไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ถ้าบวชเพื่อให้ชาวบ้านเขานับถือ เวลาไปดินดาบาบ่าเขาใส่บาบ่ให้เรามันบวชเท่าลาบสักการะซะถ้าเราบวชแล้ว ร, าากรักษาศีลของภิกษุนี้ถ้าเราปฏิบาตาาิแล้รักษาศีลของภิกษุนี้ได้เราไม่ได้บดุชเป็นภิกษุณีชาบ้านเขารู้ต่อไปเขาก็มากร่าวไหวสักการะ บ, บูชานี่แม่ชีบางรูกเนีมีคนเขาเคารพนับถือมากกว่าภาคภิกษสุสงฆ์เนี่ยไได้ยินรู้ี้นแม่ชีอยู่ทาง นักรตหนงนะคุณแม่ชีแก้วเนะียเขาเป็นโยกเสด็จหลวงปู่มงตางมหาบัวเขาก็เชื่อ ว, ว่าท่านบป็นโยกฐานกันมีพระไปเรียนกับท่านไปศึกษากับท่านไปกราบท่านนะ <c oughs> ใช่ไหมนัม่นไม่ได้อยู่ที่การเป็นชีหรือเป็นพระหรือเป็นทฤษฎีหรอก <c oughs> มันอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> ปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ <c oughs> จะเป็นเป็นพระอริยบุคคลก็เกิดได้ นะหมดแล้วนะขอเถอะ ค, คือว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปชนิดพิจาราไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปท้าวผูุ้ีลูกสาว เขไม่เข้าใจที่พระเวสสันดรเขาบอกไม่เข้าใจที่พระเวสสันดรเนี่ยบริจาคกันหมหาชาลีพิดาให้กับเทวีชเออเเกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่ามีการบางเพ็นความดีในด้านฐานแต่จะอธิบายยังท่านใหญกจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะ คนเราไม่มีใครไม่รักลูกอ่ะรักยิ่งกว่ารักตัวเองที่เบางทีแล้วต้องเสียลูกไปนี่มันทุกข์มากนี่ท่านเห็นโทษของการยึดติดกับลูกอ่ะไมใหยึดกับนก็รายงานสละไปในสายตาของพลุชนก็มองว่าการกระทอย่างเนี้ยูไปยกลูกให้คนอื่นห้ขอทานอะไรแต่ถ้านอาจจะมองว่าส่วนหนึ่งก็เขาก็จะได้ดูแลลูกดีกับท่านก็ได้แล้วก็ท่านก็จะได้มีเวลาบําเพ็ญของท่านต่อไป แต่คนธรรมดาก็จะไม่เ hmm> ข้าใจเพะว่าทำไมข้าใจาป็นมาผู้เจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียไปทิ้งก้าสุนบัดไปเพื่อจอยู่ในวังถ้าผู้เจ้าเห็นว่าการเสียสละสิ่งที่ด้กว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามันก็ทำลูกแม้จะดีขนาไหก็ตามแต่ก็ยังสู้ตามใจที่ผาก็ไดต้องไปครับหวงทกัดตัหนุ่มอมากครับวอนนี้น